เวลาและอาหารเวลาอาหารกับการฉันของพระการิกของฉันตามการชีวิตคารวาสมีอิสระเสรีในการกินไม่มีขีดจำกัดกินได้ดื่มได้ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าสาย ป่ายเย็นและกลางคืนคงเป็นเพราะคราวาดต้องตากตรำทำงานหนักเพื่อหาเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยากกินและดื่มเวลาไหนก็ได้แต่ว่าความเป็นพระภิกษุสามนเณรในพระศาสนานี้ไม่สามารถทำเหมือนอย่างคราวาดได้เลย เพราะความเป็นสมณะซึ่งชาวโลกเขารู้ว่าเป็นผู้ละเว้นจากความประพฤติอย่างขรุขระได้แล้วจึงออกบวชเรื่องการฉันอาหารในเวลาวิการเหมือนกับคราวาสญาตโยมนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยพระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนอยู่มีเนื้อความดังปรากฏ อยู่ในวินัยปิดกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ณพระเวรุวันวิหารเมืองราชครึครั้งนั้นในเมืองได้มีมหรสพ บ, บนยอดเขาพระสัตรัสสวัคคีได้ไปดูมหหรสพประชาชนผู้เป็นญาติของท่านเห็นเข้าต่างก็ดีใจ จึงนิมนต์ให้ส่งน้ำให้รูปไร้ของหอมให้ฉันอาหารแล้วยังได้ถวายของเคี้ยวติดไม้ติดมือไปด้วยพอกลับมาถึงอารามแล้วได้นิมนต์พระฉับพคัคีให้ฉันด้วยพระฉับพัคีได้ถามว่าพวกท่านได้ของเคี้ยวมาจากไหนพระสัตรระ สวัคคีเล่าเรื่องให้ฟังพระฉับพคีจึงถามว่าพวกท่านฉันอาหารในเวลาวิการหรือพระสัตตะสวัคคียอมรับตามที่ตนฉันพระฉับพคีจึงเพ่งโทษติเตียนโพธนาต่างๆเรื่องนี้ทรงทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงติเตียน พระสัตรสวคีโดยประการต่างๆแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงว่าอันหนึ่งพิสุรูปใดเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวซึ่งของฉันในเวลาวิกาลเป็นอาบัติปาจิตตี สำหรับชีวิตของพระพิสุสามเณรบางท้องถิ่นหรือบางวัดในสมัยปัจจุบันนี้มีการกินการดื่มเหมือนกับครวาดไม่มีผิดโดยมีความประพฤติไม่เหมาะสมต่อความเป็นสมณะสารูปคือดื่มหรือฉันอาหารได้ตลอด24ชั่วโมง กระทำการจนเป็นปกติอาจเป็นเพราะผู้หลักผู้ใหญ่รู้เห็นเป็นใจด้วยโดยไม่ทําการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนให้รู้ถึงความเป็นสมณะของตนญาติโยมบางกลุ่มก็รู้สึกเอื่อมระอาจใจมิใช่น้อยต่อความประพฤติเช่นนี้ของบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ตนเคารพกราบไหว้ แต่ก็พูดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำอย่างไรดีตลอดจนรู้สึกเฉยเมยและชินชาไร้สติปัญญาจะแก้ไขได้แต่พูดว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วกันส่วนญาติโยมบางกลุ่มก็ให้การสนับสนุนต่อการกระทำเช่นนี้โดยได้แนะนำท่านว่า อย่าไปเคร่งมากนักเลยท่านอยากจะกินอะไรทำอะไรก็ทำเลยเคร่งนักเดี๋ยวมันจะขาดด้วยเหตุดังกล่าวมานี้พระหนุ่มเนนน้อยในบางท้องถิ่นจึงฉันได้ตามอัธยาศัยฉันยังเปิดเผยไม่มีความสะทกสะทานเพราะทำจนเป็นปกติเข้าใจว่า ทำได้ไม่ผิดวินัยแม้ญาติยมกลุ่มผู้สนับสนุนก็ไม่ว่าอะไรยิ่งพากันคนขวายเอาเข้าวหม้อแกงหม้อใหญ่ๆมาถวายตั้งไว้ที่หอฉันกลัวพระเนนจะหิวรูปไหนหิวเมื่อไรก็ไปตักเอามาฉันตามต้องการได้ตลอดเวลาบางครั้ง เมื่อมีพระอาคันตุกะไปพักพอตกเย็นทั้งญาติโยมและพระกลุ่มนี้รีบไปหาสำรับกับข้าวเต็มถาดยกมาถวายพระอาคันตุกะซึ่งเดินทางมาเหนื่อยๆพระอาคันตุกะผู้เค้่งครัดในพระวินยัยจึงถามพระเจ้าถิ่นว่าฉันอาหารตอนเย็นได้หรือครับ พระเจ้าถิ่นตอบว่าโถทำไมจะไม่ได้คุณพระถิ่นนี้ฉันได้ตลอดยีสิบสี่ชั่วโมงฉันไปเลยไม่ต้องห่วงไม่มีใครว่าอะไรหรอกพระอาคันตุ ก, กะยังไม่หายสงสัยจึงถามต่อไปอีกว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านไม่ว่าหรือครับพระเจ้าถิ่นตอบว่าไม่ว่าหรอก หลวงพ่อท่านก็ฉันท่านยังบอกว่าถ้าหิวแล้วไม่ฉันถือว่าเป็นการทรมานร่างกายเดี๋ยวเป็นบาปเมื่อเป็นเช่นนี้พระอาคันตุกะผู้หิวโหวยบางรูปที่เห็นแก่ปากแก่ท้องก็อนุโลมตามฉันไปกับเขาด้วยกลายเป็นพวกเดียวกันไปส่วนพระพิสุ รูปที่ใครรักษาพระวินัยเกรงกลัวต่อโทษอันเกิดจากการต้องอาบัติก็บอกปฏิเสธไปว่าผมยังไม่หิวครับอีกกรณีหนึ่งพระเนรบางท้องถิ่นไม่ฉันอาหารเย็นซึ่งเป็นเวลาวิกาลคือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่กับฉันผลไม้ทุกอย่างเมื่อเวลาพระอาคันตุกะไปพักด้วย ก็จะยกผลไม้ถาดใหญ่มีผลไม้หลายอย่างมาต้อนรับพระอาคันตุกะรูปที่ไม่เคยฉันก็ถามว่าพระฉันผลไม้ตอนเย็นได้หรือครับพระเจ้าถิ่นตอบว่าได้สิผลไม้อะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยมะแล้วฉันได้ทั้งหมดพระอาคันตุกะถามว่าใครสอนท่านอย่างนี้ พระเจ้าถิ่นตอบว่าอาจารย์ของผมท่านบอกว่าผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะฉันได้หมดเช่นมะขามป้อมมะม่วงมะพร้าวมะแตงโมและมะทุเรียนเป็นต้นพระอคันตุ ก, กะพูดแย้งว่าอาจารย์ท่านน่าจะสอนผิดพระเจ้าถิ่นรู้สึกไม่พอใจจึงพูดอย่างมีอารมณ์ว่า อาจารย์ผมสอนไม่ผิดแน่นอนถ้าผิดท่านจะสอนไปทำไมท่านบวชมานานแล้วจาเป็นครูบาอาจารย์มีคนนับหน้าถือตาเยอะแยะมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองจะสอนผิดได้อย่างไรกันพระอคันตุกะไม่รู้จะพูดอย่างไรดีได้แต่ลาพึงในใจว่าท่านเหล่านี้ งมงายจริงอาจารย์ของตนก่าวตู่พระธรรมวินัยก็ยังไม่รู้มัวแต่ยึดมั่นในตัวบุคคลจนลืมพระธรรมวินยัยอันเป็นแบบแผนที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้รัติฉันอาหารตอนเย็นและฉันผลไม้ที่ขึ้นชื่อด้วยมะได้ละบาทไปทั่วประเทศจนยากแก่การแก้ไข พระพิสุที่เป็นครูอาจารย์ก่อนจะพูดอะไรควรคำนึงถึงความถูกต้องตามพระวินัยเป็นหลักอย่าพูดเอาตามความชอบใจเมื่อท่านสอนอะไรออกไปไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตามลูกศิษย์ก็จะยึดถือและปฏิบัติตามเช่นเดียวกันถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ดีไป แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ผิดก็จะเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพระพุทธศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยดังนั้นการเป็นพระจะฉันหรือดื่มเหมือนคลวาดญาตโยมไม่ได้เพราะถูกจำกัดสิทธิ์ไม่มีอิสระเสรีในการฉัน ควรคำนึงถึงพระวินัยเป็นหลักโดยรู้จักประมาณในการฉันในการบริโภคอยากจะฉันอะไรดื่มอะไรก็ไม่สะดวกนะักท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อต้องการของร้อนก็กลับได้ของเย็นเมื่อต้องการของเย็นก็กลับได้ของร้อนเพราะชีวิตของพระเนื่องด้วยผู้อื่นการฉันอาหาร จึงมีข้อจำกัดด้วยการเวลาเข้ามาเนื่องด้วยตลอดฉะนั้นพระควรพิจารณาก่อนขบฉันสักนิดว่าของบางอย่างมีระยะเวลาในการฉันได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้นเลยเที่ยงไปฉันไม่ได้ของบางอย่างมีระยะเวลาในการฉันได้ วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอรุณของวันใหม่ขึ้นฉันไม่ได้ของบางอย่างมีระยะเวลาในการฉันได้ตลอดเจ็ดวันอรุณของวันที่8ดขึ้นฉันไม่ได้ของบางอย่างมีระยะเวลาในการฉันได้ตลอดชีวิตแต่จะฉัน ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเช่นคราวอาพาธเป็นต้นถ้าพระฉันอาหารผิดเวลาเพียงนิดเดียวก็ต้องอาบัติปาจิตตีบ้างทุกกฎบ้างเพราะฉะนั้นพระพิสุสัมมณีจึงควรใส่ใจถึงเรื่องการิกคือของฉันของดื่มที่ถูกกำหนดเกี่ยวเนื่องกับการให้ดี หากไม่ใส่ใจหรือไม่รู้ก็ต้องอาบัตได้ง่ายและรักษาวินัยก็ไม่สะดวกกาลิกกาลิกคือของฉันที่พระพิสุเก็บไว้ฉันได้ตามเวลาที่กำหนดไว้มีสี่อย่างหนึ่งยาวะการิกคือของฉันที่พระรับประเคนแล้ว เก็บไว้ได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน 2. ยามะกาลิก ค, คือของฉันที่พระรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนอรุณของวันใหม่ขึ้น 3. สัตตาหะการิก ค, คือของฉัน ที่พระรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้ตลอดเจดวัน 4. ยาวะชีวิตคือของฉันที่พระรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตแต่จะฉันต้องมีเหตุจำเป็นเช่นเจ็บป่วยเป็นต้นอธิบายกาลิกสอย่างหนึ่ง ยาวะการิก ค, คือของฉันอันได้แก่คาทนียะของเคี้ยวโพชนียะของฉันที่พระรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันเลยเที่ยงไปฉันต้องอาบัตปาจิตตีโพชนียะได้แก่ โภชนะทั้งห้าคือข้าวสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาและเนื้อขาทนียะได้แก่อาหารมีขนมเป็นต้นที่ทำด้วยปุพพั น, นชาติข้าวเจ็ดชนิดอัปรารั น, นชาติถั่วและงาชนิดต่างๆมหาผล ผ ล, ลไม้ใหญ่9้าชนิดตลอดจนรากหัวเงา่ายอดหนอ่อลําต้นเปลือกใบดอกผลมเมล็ดแป้งและยางเหนียวของต้นไม้เถาวัลย์และหญ้าที่มีคติเหมือนอย่างอามิร สำหรับกินเป็นอาหารของคนในชนบทนั้นๆจัดเป็นขานินยะทั้งหมดปุกพันนชาติได้แก่พืชจำพวกข้าวมีข้าวเจ็ดชนิดคือข้าวสารีข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวฟ่างลูกเดือยและหญ้ากับแก่ ยาเขานกอปะรณชาติได้แก่เพื่อสำหรับทำอาหารมีถั่วชนิดต่างๆเช่นถั่วเขียวถั่วเหลืองและถั่วดำเป็นต้นมาหาผลได้แก่ผลไม้ใหญ่9ก้าชนิดคือผลตาลมะพร้าวขนุน สาเกน้ำเต้าฟักเขียวแตงไทยแตงโมและฟักทองรากได้แก่รากผักกาดผักขมผักชีผักบุ้งและรากเล็กของบัวหลวงและบัวขาวเป็นต้นที่ยังอ่อนหัว ได้แก่หัวเผือกมันผักกาดทองกวาวอ่อนและกา ร, ระเกตเป็นต้นเง้าได้แก่เง้าบัวหลวงบัวขาวตะไคร่น้ำและเถาคาเป็นต้นยอดได้แก่ยอดตาลมะพร้าวหมากหวาย และผักเป็นต้นหน่อได้แก่หน่อไม้ไผ่อ้อยอ้อขาและเผือกเป็นต้นลำต้นได้แก่ลำต้นไม้ขานางลำอ้อยสายบัวเขียวบัวแดงและบัวกมมุดเป็นต้นเปือกได้แก่ เปลือกอ้อยที่ยังมีรสหวานอยู่เพียงอย่างเดียวใบได้แก่ใบเผือกมันตำลึงมะม่วงมะกอกและผักกาดเป็นต้นดอกได้แก่ดอกผักกาดสะดาแค่มะพร้าวอ่อนและสน เป็นต้นผลได้แก่ผลขนุนตาลมะพร้าวมะม่วงมะเขือและกล้วยเป็นต้นมะรเรดได้แก่มะรเรดขนุนมะขามเกาลัดบัวสตอลูกเนียงและกระถิงนเป็นต้น แป้งได้แก่แป้งธรญญชาติเจ็ดชนิดอปรรนชาติตาลและกอยเป็นต้นยางที่เป็นยาวะการิกไม่มีมีแต่ที่เป็นสัตหะการิกได้แก่ยางอ้อยเป็นต้น 2. ยามะการิก คือของฉันได้แก่เครื่องดื่มสาหรับพระที่พระรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งได้แก่น้ำผลไม้แปดอย่างคือน้ำมะม่วงน้ำลุกว้าน้ำกล้วยมีมเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีมเมล็ดน้ำมะสางน้ำลูกจัน์หรือองุ่น น้ำเง่าบัวและน้ำมะปางหรือลิ้นจีผลไม้เล็กๆมีหวายมะขามมะงว่วสะครอและเล็บเหยี่ยวเป็นต้นและน้ำผลไม้ทุกชนิดเว้นน้ำธรญมชาติกับสิ่งอนุรมูมคือพืชที่นำมาปรุงเป็นอาหารได้เหมือนข้าว น้ำใบไม้ทุกชนิดเว้นน้ำต้มผักน้ำดอกไม้ทุกชนิดเว้นน้ำดอกมะซางน้ำอ้อยสดที่ไม่มีกาบน้ำผลไม้ต่างๆเป็นต้นเหล่านี้ให้อนุปสัสมบันสา ม, มนเณรหรือโยมขยำทุกครั้นกับน้ำเย็นที่สะอาดหรือทำให้สุข ด้วยแสงอาทิตย์ก็ควรทำให้สุข ด, ด้วยไฟไม่ควรแล้วกองด้วยผ้าขาวบางไม่ให้มีกากพระรับประเคนแล้วเก็บไว้ดื่มได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งพระพุทธองค์ทรงอนุ ญ, ญาตให้พระดื่มน้ำปานะเหล่านี้เพื่อแก้กระหาย รับประเค้นเครื่องดื่มที่เป็นยามะการิกไว้เมื่ออรุณของวันใหม่ขึ้นพระยังเก็บเครื่องดื่มนั้นไว้เป็นสันนิธิด้วยความประสงค์จะเก็บเอาไว้ฉันเป็นอาบัตทุกกดในเพราะรับก่อนเมื่อฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆุกํากืน เป็นอาบัตปาจิตตีเพราะฉันโภชนาหารที่เก็บสั่งสมไว้ครั้งคืนเรียกอาหารที่เก็บไว้นั้นว่าสันนิธิสสัตหะการิกคือของฉันประเภทยาที่พระรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ตลอดเจ็ดวันได้แก่เภสัช ท, ทั้งห้าอย่างคือเนยใส ในคข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยในใสได้แก่ในยใสที่ทำมาจากน้ำนมของกัปปิยะมังสะสัตว์มีเนื้อที่สมควรซึ่งพระพุทธองค์ทรงอนุ ญ, ญาตให้พระฉันได้น้ำมันได้แก่น้ำมันที่สกัดมาจากมะเร็ดงา มเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดมะสางและเปลวสัตว์ทุกชนิดเว้นแต่เปลวมนุษย์น้ำพึ่งได้แก่น้ำหวานที่ได้จากพึ่งเล็กและพึ่งใหญ่น้ำอ้อยได้แก่น้ำหวานที่เกิดจากอ้อยเพศสัตว์ห้าเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระที่เจ็บไข้ได้ป่วย ฉันอาหารไม่ค่อยจะได้เป็นโรคผอมแห้งแรงน้อยให้ฉันเป็นยากแก้โรครับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ตลอดเจ็ดวันฉันได้ทั้งในการและเวลาวิกาลดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าในใสในคข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยที่สามารถแผ่ไปเพื่อสำเร็จ เป็นอาหารกิจซึ่งทรงอนุญาตไว้โดยชื่อแห่งเพศสัตว์อย่างนี้ว่าดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายเราอนุญาตเพศสัตว์หเหล่านั้นพิสุรับประเคนแล้วพึงบริโภคได้ตามสบายในปุ่เรพัฒ์เช้าถึงเที่ยงในวันนั้นตั้งแต่ปัจฉาพัดไปหลังเที่ยงไปแล้ว เมื่อมีเหตุพึงบริโภคได้ตลอดเจ็ดวันถ้าพิสุรับประเคนเพศัตว์ห้าอย่างมีเนยใสยเป็นต้นแม้ทั้งหมดเก็บรวมไว้ในหม้อดเดียวกันเมื่อร่วงเจ็ดวันไปแล้วเป็นนิกสักคีเพียงตัวเดียวเมื่อแยกกันเก็บเป็นนิกสักคีห้าตัวแยกเก็บคนละภาชนะเพศัตว์ห้านี้ ยังไม่ร่วงเจ็ดวันพิษุผู้อาพาธก็ดีไม่อาพาธก็ดีฉันได้เมื่อมีเหตุพระรับประเคนสัตหะการิกเพื่อฉันเป็นอาหารเป็นอาบัตทุกกฎเพราะการรับประเคนเป็นปัจจัยก่อนแต่เมื่อกลืนกินถ้าเป็นของไม่มีอามิตรเป็นทุกกฎ ท, กทุกทุกคำกลืน ถ้าสัตหาการิษยาวะชีวิกระคนด้วยอามิรเป็นของที่พิสุรับประเคนเก็บไว้เป็นอาบัตปาจิตตีตามวัตถุแท้ 4. ยาวะชีวคิคือของฉันประเภทยาทั่วไปที่พระรับประเคนแล้วเก็บรักษาไว้ฉันได้ตลอดชีวิต เมื่อมีเหตุเจ็บป่วยได้แก่รากหัวเง่าน้ำฝาดใบผลยางของต้นไม้เถาวัลย์ต้นหญ้าที่พวกมนุษย์ไม่ได้เอาไปทำกินเป็นอาหารและเกลือจัดเป็นยาวะชีวิตมีมากมายไม่สามารถกล่าวชื่อ และนับจำนวนได้ทั้งหมดรากได้แก่รากแฝกแห้วหมูขมิ้นขิงข่าว่านน้ำว่านปลอะและอุตตพิษเป็นต้นหัวได้แก่หัวกระทือกระเมง่อยกระชาย กระเทียมข่าและตะไคร้เป็นต้นเง้าได้แก่เง้าขมิ้นขิงการะเกตตาลมะพร้าวหมากและเต่าล้างเป็นต้นน้ำฝาดได้แก่น้ำฝาดสะเดามูกมันกระดอมบอระเพ็ดและ กระถินพิมานเป็นต้นใบได้แก่ใบสะเดามูกมันกระดอมกระเผาแมงลักและฝ้ายเป็นต้นผลได้แก่ผลดีปีพริกสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมและ โกดเป็นต้นยางได้แก่ยางต้นหิงคุยางจากยอดใบและกัมยานเป็นต้นเกลือได้แก่เกลือทะเลเกลือดำเกลือสินเทาเกลือภูเขาเกลือดินโป่งและเกลือหุงม เป็นตนต้รากที่เป็นเพสัชเป็นต้นไม่ได้จัดเป็นอาหารตามปกติของพวกมนุษย์ในชนบทนั้นๆก็จัดเป็นเพสัช ท, ทั้งหมดพระรับประเคียนเพสัตชเหล่านั้นแล้วเก็บรักษาไว้ได้ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุจําเป็นจึงบริโภคฉันได้เมื่อไม่มีเหตุพระบริโภค ต้องอาบัตทุกกฎพระรับประเคนยาวะชีวิกไว้เพื่อฉันเป็นอาหารต้องอาบัตทุกกฎเพราะการรับประเคนเป็นปัจจัยก่อนเมื่อฉันถ้าไม่ผสมอาหารต้องอาบัตทุกกฎทุกๆคํากลืนถ้ายาวะชีวิกผสมกับอาหารที่พระรับประเคนเก็บไว้ เป็นปาจิตตีตามวัตถุเพราะเป็นสันนิทิกาลิกผสมกันกาลิกผสมกันตั้งแต่หนึ่งกาลิกสองกาลิกสามกาลิกหรือสี่กาลิกให้ถือเอากาลิกที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นเกณฑ์เพราะกาลิกที่มีอายุน้อยที่สุดจะดึงกาลิก ที่มีอายุมากกว่าตนเข้าสู่สภาพของตนเป็นอันเดียวกับตนจะทำให้กาลิกที่มีอายุมากสั้นลงตามกาลิกที่มีอายุน้อยนั้นเช่นยามะกาลิกชักกาลิกทั้งสองมีสัตหะกาลิกและยาวะชีวิตเข้าสู่สภาพของตนสัตหะกาลิก ชักยาวชีวิตที่ปนกับตนเข้าสู่สภาพของตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นยาวะชีวิตที่รับประเคนในวันนั้นก็ดีรับประเคนในวันก่อนๆ ก, ก็ดีปนกับสัตตหากาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรเพียงเจ็ดวันปนกับสัตตหากาลิก ที่รับประเค้นไว้สองวันควรเพียงหกวันปนกับสัตหาการิกที่รับประเค้นไว้สามวันควรเพียงห้าวันปนกับสัตหาการิกที่รับประเค้นไว้เจ็ดวันควรในวันนั้นเท่านั้นเพราะเหตุนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ตัดว่าพิสุทั้งหลาย ยาวะชีวิกที่รับประเคินในวันนั้นปนกับสัตหะกาลิกควรเจวันตรัสว่ายาวะชีวิคที่รับประเคินแล้วคือปนกับสัตหะกาลิกควรเจวันก็เมื่อกาลิกสามนี้ก้าวล่วงการยามและเจดวันพึงทราบอาบัตด้วยอานาจวิการะ โชนะสิกขาบทสันนิธิสิกขาบทและเพสัชะสิกขาบทก็แลในกาลิกสี่นั้นกาลิกสองคือยาวกาลิกหนึ่งยามะการิกหนึ่งเท่านั้นเป็นอันโตวุถะอาหารที่พิสุเก็บไว้ค้างคืนในอากัปปยะกุฏ ด้วยเป็นสันนิธิการกะด้วยแต่สัตหะการิกและยาวะชีวิกแม้จะเก็บไว้ในอักกัปปิยะกุฎก็ควรทั้งไม่ให้เกิดสันนิธิด้วยสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายหนึ่งยามะการิกรักคนกับ ยาวะการิกที่รับประเคนในวันนั้นควรในการเช้าถึงเที่ยงวันไม่ควรในวิการตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงอรุณขึ้น 2. อสัตหาการิกรักคนกับยาวะการิกที่รับประเคนในวันนั้นควรในการไม่ควรในวิการ 3. ยาวะชีวิก ละคนกับยาวะการิกที่รับประเคนในวันนั้นควรในการไม่ควรไหนวิกาลสี่สัตหะการิกละคนกับยามะการิกที่รับประเคนในวันนั้นควรชั่วยามวันหนึ่งกับคืนหนึ่งล่วงยามแล้วไม่ควร 5. ยาวะชีวิกละคนกับ ยามะการิกที่รับประเคณในวันนั้นควรชั่วยามล่วงยามแล้วไม่ควร6ยาวชีวิตรักคนกับสัตหะการิกที่รับประเคณในวันนั้นควรตลอดเจ็ดวันล่วงเจ็ดวันแล้วไม่ควรย่อเพื่อจำง่ายหนึ่งยามะการิกบวก ยาวะการิกเท่ากับยาวการิกมีอายุเช้าถึงเที่ยงวัน 2. อสัตหะการิกบวกยาวการิกเท่ากับยาวการิกมีอายุเช้าถึงเที่ยงวัน 3. ยาวชีวิกบวกยาวการิกเท่ากับยาวะการิก มีอายุเช้าถึงเที่ยงวัน 4. ีสัตหากาะการิกบวกยามาการิกเท่ากับยามาการิกมีอายุวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหยาวะชีวิกบวกยามาการิกเท่ากับยามาการิกมีอายุวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหยาวะชีวิกบวก สัตหาการิกเท่ากับสัตหาการิกมีอายุเจดวันสรุปการิกคือของฉันสำหรับพระที่เกี่ยวกับการมีสี่อย่าง 1. ยาวการิกได้แก่อาหารคาธนิยะคือของเคี้ยวและโพชนิยะคือของฉัน 2. ยามะการิกได้แก่เครื่องดื่มสำหรับพระน้ำปานะสสัตหาการิกได้แก่ยารักษาโรคผอมแห้งแรงน้อยเพสัตห้ายาวชีวิกได้แก่ยารักษาโรคทั่วไปมีมูลลเพสัชเป็นต้นพระฉันอาหารต่างกับญาติโยม ตรงที่มีการเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อเป็นพระถ้าไม่ทำความเข้าใจเรื่องการริกให้ดีจะฉันอาหารไม่ถูกตามหลักพระวินัยทำให้ผิดพลาด ต, ต้องอาบัตได้ง่ายเช่นของที่ควรฉันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงไปฉันตอนบ่ายเป็นต้นก็ต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคํากืน ฉันหนึ่งอคำก็ต้องอาบัตหนึ่งรอยครั้งแต่ได้ยินพระบางรูปพูดว่าอาบัตปาจิตตีเป็นอาบัตเล็กน้อยแสดงอาบัตก็หลุดแล้วถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีความละอายไม่มีความเคารพต่อสิขาบทคือพระวินัยจึงเปรียบเสมือนมาแรงเมา ไม่กลัวไฟอย่างนี้แม้เป็นพระพิสุถ้าไม่ละอายใจต่อญาติโยมผู้รักษาศีลห้าศีลแปดบ้างถึงญาติโยมเป็นฆาฤหัตยังมีความละอายและเก่งกลัวต่อบาปโทษคืออาบัตเล็กน้อยพระยังรักษาไม่ได้แน่ใจหรือว่าโทษคืออาบัตใหญ่จะรักษาได้ โดยมากแล้วผู้รักษาอาบัตเล็กน้อยไม่ได้ย่อมไม่สามารถรักษากองอาบัตใหญ่ได้เป็นพระพิสุสัมมเนนเห็นแก่ปากแก่ท้องจะรักษาศีลรักษาวินัยได้อย่างไรเพราะเป็นอันตรายอย่างหนึ่งในจํานวนอันตรายห้าอย่างของพระพิสุสัมมเนนผู้บวชประพฤติพรหมจรรย์ ในพระศาสนานี้พระพิสุสั ม, มนเนธควรใส่ใจเรื่องการิกให้ดีก่อนจะชั้นอะไรจะได้เอามาเป็นเครื่องตรวจสอบว่าของฉันชนิดนี้เป็นการิกอะไรเมื่อทราบแล้วทำให้ฉันได้ถูกต้องไม่ผิดวินยัยและรักษาวินัยได้สะดวกสำหรับญาติโยมถ้ามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการิกดีแล้วเวลาถวายของฉันแก่พระจะทำได้อย่างถูกต้องเช่นเวลาเช้าถึงเที่ยงวันควรถวายการิกอะไรแก่พระเลยเวลาเที่ยงวันไปควรถวายการิกอะไรแก่พระถ้าญาติโยมไม่มีความรู้เรื่องการิกตอนบ่ายควรถวายยามะกการิก น้ำปานะแต่กับถวายยาวะกาลิกอาหารแก่พระอย่างนี้เป็นต้นนอกจากจะไม่ถูกการแล้วยังทำให้พระต้องอาบัตเพราะรับประเคนและฉันอาหารนั้นเมื่อญาติโยมเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วนอกจากจะไม่ซื้ออาหารถวายพระตอนบ่ายแล้ว เวลาเห็นพระเนนฉันอาหารตอนบ่ายตอนเย็นก็จะได้แนะนำถวายความรู้แก่ท่านว่าพระเนนฉันอาหารหลังเที่ยงวันหรือตอนเย็นไม่ได้เพราะอาหารเป็นยาวะการิกฉันได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้นเลยเที่ยงวันไปแล้วฉันไม่ได้หากฉันจะต้องอาบัตและผิดศีลได้ ผู้บวชเป็นพระพิสุสัมมนเนรแล้วไม่ใช่จะรู้วินัยทุกเรื่องพระเนนที่ไม่ได้ศึกษาพรธรรมวินยัยอย่างจริงจังก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรหรือเมื่อบวชมาแล้วเรียนแต่วิทยาการทางโลกอย่างเดียวซึ่งไม่สอดคล้องต่อพรธรรำวินยัยความรู้ของพระเนนเหล่านี้ ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากโยมเลยเพราะพระธรรมวินัยในพระศาสนานี้เป็นของรายละเอียดลึกซึ้งควรที่จะใส่ใจศึกษาเพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดโทษแก่ตนเองสรุปว่าทั้งพระเนนทั้งโยมควรสนใจเรื่องการิกเป็นพิเศษฝ่ายพระ เมื่อเข้าใจเรื่องการิษได้อย่างถูกต้องจะได้ไม่เป็นอาบัติเพราะเรื่องนี้และจะได้แนะนำญาติโยมให้เข้าใจอีกด้วยฝ่ายญาติโยมเมื่อเข้าใจเรื่องการิษดีแล้วจะได้ถวายอาหารพระได้ถูกการถูกเวลาเป็นการเอื้อเฟื้อพระให้รักษาวิในซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง แห่งคำสอนของพระบรมศาสดาและความรู้นี้จะได้เอาไปแนะนำเพื่อนฝูงและพระเนนที่ไม่รู้เรื่องวินัยด้วยแต่ต้องดูความเหมาะสมอื่นๆประกอบด้วยไม่ใช่แนะนำร่ำไปโดยปราศจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมมิฉะนั้นจะกลายเป็นโทษภัย แก่ตนเองได้